พึงฟังด้วยดีพึงเงี่ยหูฟังพึงตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนในคำตถาคตเรื่องมนุษย์ผีกครปบดีการอยู่ร่วมกันสี่ประเภทนี้มีอยู่สี่ประเภทคือชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผี 2. ชายผี อยู่ร่วมกับหญิงเทวดา 3. ชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงผีและ4ชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงเทวดากระบดีก็ชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผีเป็นอย่างไรเล่าคือคนบางคนผู้เป็นสามีในโลกนี้เป็นผู้มักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพิตผิดในการ พูดเท็จ ด, ดื่มน้ำเมาคือสุราและเมียไรอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคือเป็นคนทุศีนมีบาปกรรมมีใจอันมนทินคือความตรนีครอบงำเป็นผู้ด่าและบริพาสสมรมณรผู้กดอยู่กรองเรือนแม้ปริยาของเขาก็เป็นผู้มักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการเป็นต้นเป็นคนทุศีลมีบาปธรรม มีใจอันมนทินคือความตระณีครอบงำดาและบริพาสสมณพราหมณ์อยู่ครองเรือนอย่างนี้แหละคือชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผีกราบบดีก็ชายผีอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาเป็นอย่างไรเล่าคือสามีในโลกนี้เป็นผู้มักฆสัตว์คือเป็นคนทุศีลดาบริพาสสมณพราหมณ์อยู่ครองเรือน ส่วนภระยาของเขาเป็นผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเป็นจากการลักทรัพย์งดเป็นจากการประพฤติผิดในกามเว้นขตดจากการพูดเท็จการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมียไรอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นคนมีศีลมีกตนธรรมมีใจอันปราศจากมุนทินคือความตระณีไม่ดา่าไม่บริาพาสณพรณ์เป็นผู้อยู่กรองเรือน อย่างนี้แหละคือชายผีอยู่ร่วมกับหญิงเทวดากระปบรดีก็ชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาเป็นอย่างไรเล่าคือสามีในโลกนี้เป็นผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นต้นคือเป็นคนมีศีลไม่ด่าบริภาทสมรุทรพราหมณ์อยู่ครองเรือนแม้ภรยาของเขาก็เป็นผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นต้นไม่ด่าไม่บริพาทสมณพราหมณ์อยู่ครองเรือน นี่แหละคือชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาเ่านี้คือการอยู่ร่วมกันสี่ประการภรยาและสามีทั้งสองเป็นผู้ทุศีนเป็นคนตรณีมักด่าว่าสมรภราร์ชื่อว่าเป็นผีมาอยู่ร่วมกันสามีเป็นผู้ทุศีลมีความตรณีมักด่าว่าสมรภาร์ส่วนภรยาเป็นผู้มีศีน รู้ความประสงค์ของผู้ขอปราศจากความตรณีภรรยานั้นชื่อว่าเทวดาอยู่ร่วมกับสามีผีสามีเป็นผู้มีศีล ร, รู้ความประสงค์ของผู้ขอปราศจากความตรณีส่วนภระยาเป็นผู้ทุศีลมีความตรณีมักด่าว่าสมรหรรมร์ชื่อว่าหญิงผีอยู่ร่วมกับสามีเทวดาทั้งสอง เป็นผู้มีศรัทธารู้ความประสงค์ของผู้ขอมีความสํารวมเป็นอยู่โดยธรรมภรรยาและสามีทั้งสองนั้นเจรจาถ้อยคําที่น่ารักแก่กันและกันย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองมากมีความผาสุขทั้งสองฝ่ายมีศีลเสมอกันรักใคร่กันมากไม่มีใจร้ายต่อกันครั้นประพฤติธรรมในโลกนี้แล้วเป็นผู้มีศีลและวัดเสมอกัน ย่อมเป็นผู้สเสวยก า, ารมรลมเพลิดเพลินบันเทิงใจอยู่ในสวรรค์สิ่งใดมีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาเรื่องความเข้าใจเรื่องกรรมที่ควรทราบ6กแงม่มุมภิกษุทั้งหลายกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบเหตุเป็นแดนเกิดพร้อมแห่งกรรม เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบความมีประมาณต่างๆแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบผลแห่งการกระทำแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบความดับไม่เหลือแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบคาที่เรากล่าวแล้วดังนี้นั้นเราอาศัยอะไรกล่าวเล่า ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเพราะว่าบุคคลเจตนาแล้วย่อมกระทําซึ่งกรรมด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจภิกษุทั้งหลายเหตุเป็นแดนเกิดพร้อมแห่งกรรมเป็นอย่างไรเล่าเหตุเป็นแดนเกิดพร้อมแห่งกรรมทั้งหลายก็คือผัสสะภิกษุทั้งหลายประมาณต่างๆแห่งกรรมเป็นอย่างไรเล่า คือกรรมที่ทำให้สวยในนรกมีอยู่กรรมที่ทำให้สัตวเสวยเวทนาในกเนิดเดรชนก็มีอยู่กรรมที่ทำสัตว์ให้สวยเวทนาในเปรตวิสัยก็มีอยู่กรรมที่ทำสัตว์ให้สวยในโลกมนุษย์ก็มีอยู่กรรมที่ทำสัตว์เสวยในเทวโลกก็มีอยู่เหล่านี้แหละคือความมีประมาณต่างๆของกรรมปิจูตทั้งหลาย ผลแห่งกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าคือเรากล่าวผลแห่งกรรมทั้งหลายว่ามีอยู่สมอย่างคือผลในทันควันคือทิฏ ธ, ธรรมหรือผลในเวลาต่อมาหรือว่าผลในเวลาต่อมาต่อมาอีกนี่แหละเรียกว่าวิบากคือผลแห่งกรรมทั้งหลายปีสุทั้งหลายความดับไม่เหลือแห่งกรรมเป็นอย่างไรเล่า คือความดับแห่งกรรมย่อมมีเพราะความดับแห่งผัษะอริยมัตมีองค์แปดนี้นั่นเองเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสัมมาวาจาสมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสมาสติและสมาสมาธิที่สุดทั้งหลายเมื่อได เธอรู้ชัดซึ่งกรรมอย่างนี้ร LIKE ู้ชัดซ vale ึ่งเหตุเป็นแดนเกิดแห่งกรรมอย่างนี้รู้ชัดซึ่งประมาณต่างๆแห่งกรรมอย่างนี้รู้ชัดซึ่งผลแห่งกรรมอย่างนี้รู้ชัดซึ่งความดับไม่เหลือแห่งกรรมอย่างนี้และรู้ชัดข้อปฏิบัติเครื่องทาสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมอย่างนี้เธอผู้นั้นย่อมรู้ชัดซึ่งประมจันนี้ ว่าเป็นเรื่องจอแทงกิเลสเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งกรรมปิดสุทตรงหลายข้อที่เรากล่าวว่ากรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบเหตุเป็นดน้เกิดของกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบประมาณต่างๆแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบพ้นแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบความดับไม่เหลือแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ และข้อปฏิบัติเครื่องทําสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบดังนี้เราอาศัยข้อความนี้แหละกล่าวแล้วเรื่องกรรมเปรียบด้วยก้อนเกลือพิสูจน์ทั้งหลายใครพึงกล่าวว่าคนทํากรรมอย่างใดๆย่อมสวยกรรมนั้นอย่างนั้นๆดังนี้เมื่อเป็นอย่างนั้น การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ก็มีไม่ได้ช่องทางที่จะทำที่สุดแห่งทุกโดยชอบก็ไม่ปรากฏส่วนถ้าใครกล่าวว่าคนทํากรรมอันจะพึงให้ผลอย่างใดๆย่อมสวเยผลของกรรมนั้นอย่างนั้นนันหนังนี้เมื่อเป็นอย่างนี้การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมมีได้ช่องทางที่จะทำที่สุดแห่งทุกโดยชอบก็ย่อมปรากฏ พิสูทั้งหลายบาปกรรมแม้ประมาณน้อยที่บุคคลบางคนทำแล้วบาปกรรมนั้นย่อมนำเขาไปนรกได้ส่วนบาปกรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกันนั้นบางคนทำแล้วกรรมนั้นให้ผลในพบปัจจุบันไม่ปรากฏผลมากต่อไปเลยบาปกรรมแม้ประมาณน้อยบุคคลชนิดรรทำแล้วบาปกรรมนั้นจึงนำเขาไปนรกได้ คือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีกายไม่ได้อบรมมีศีลไม่ได้อบรมมีจิตไม่ได้อบรมมีปัญญาไม่ได้อบรมมีคุณความดีน้อยคือเป็นผู้มีใจแคบแคบใจหยาบใจซามเป็นผู้มีปกติอยู่เป็นทุกข์ด้วยเหตุเพียงเล็กน้อยคือเป็นคนเจ้าทุกข์บาปกรรมแม้ประมาณน้อยที่บุคคลชนิดนี้ทาแล้ว บาปกรรมนั้นย่อมนำเขาไปนรกได้ส่วนบาปกรรมแม้ประมาณน้อยอย่างเดียวกันอันบุคคลชนิดไรทาแล้วกรรมนั้นจึงให้ผลในพรปัจจุบันไม่มีผลมากต่อไปเลยคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีกายได้อบรมมีศีลได้อบรมมีจิตได้อบรมมีปัญญาได้อบรมแล้ว มีคุณความดีมากเป็นผู้มีใจกว้างขวางใจบุญใจสูงมีปกติอยู่ด้วยธรรมอนหาประมาณไม่ได้บาปกรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกันนั้นนั้นบุคคลชนิดนี้ทำแล้วกรรมนั้นให้ผลในพบปัจจุบันไม่ปรากฏผลมากต่อไปเลยปีษาจทั้งหลายเรียเหมือนถ้าบุคคลใส่เกลือลงไปในถ้วยน้ำเล็กๆก้อนหนึ่ง ท่านทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรน้าอันน้อยในถ้วยน้านั้นจะกลายเป็นน้ําเค็มไม่ได้ดื่มไปเพราะเกลือก้อนนั้นไม่ใช่หรือข้อนั้นเป็นเช่นนั้นพระเจ้าข้าข้อนั้นเป็นเช่นนั้นพระเจ้าข้าเพราะเหตุว่าน้ําในถ้วยนั้นมีน้อยมันจึงเก็มได้เพราะเกลือก้อนนั้นปิสุจสัลายถ้าหากว่าคนใส่เกลือก้อนขนาดเดียวกันนั้น ลงไปในแม่น้าําคงคาพวกเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรน้ําในแม่น้ําคงคานั้นจะกลายเป็นน้ําเค็มดื่มไม่ได้พเพราะเกลือก้อนนั้นอย่างนั้นหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อ น, นั้นหาไม่ได้พระเจ้าข้าเพราะเหตุว่าน้ํำในแม่น้ํำคงคานั้นมีมากน้ํานั้นจึงไม่เค็มเพราะเกลือก้อนนั้นภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นแหละ บาปกรรมแม้ประมาณน้อยบุคคลบางคนทำแล้วบาปกรรมนั้นย่อมนำไปนรกได้ส่วนบาปกรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกันนั้นบางคนทำแล้วกรรมนั้นให้ผลในพบปัจจุบันไม่ปรากฏผลมากต่อไปเลยปีศาจทั้งหลายบุคคลบางคนย่อมผูกพันเพราะทัพย์แม้กึ่งกหาปณะนะแม้หนึ่งกหาปณะนะแม้ร้อยก่าปณะนะ ส่วนบางคนไม่ผูกพันพระทรัพย์เพียงเท่านั้นคนอย่างไรจึงผูกพันพระทรัพย์แม้เกืองกหะหนะ์ปณะคือคนบางคนในโลกนี้เป็นคนจนมีสมบัติน้อยมีโกขน้อยคนอย่างนี้ย่อมผูกพันพระทรัพย์แม้เกะนะืงกะห์ปณะส่วนคนอย่างไรไม่ผูกพันพระทรัพย์เพียงเท่านั้นคือคนบางคนในโลกนี้เป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มาก มีโผคะมากคนอย่างนี้ย่อมไม่ผูกพันประทรัพเพียงเท่านั้นสันใดก็ฉันนั้นแหละวิสุทธิัลายบาปกรรมแม้ประมาณน้อยบุคลบคลบางคนทําแล้วบาปกรรมนั้นย่อมนำเขาไปนรกได้ส่วนบาปกรรมแม้ประมาณน้อยอย่างเดียวกันอันบุคคลบางคนกระทาแล้วกรรมนั้นให้ผลในภพปัจจุบันไม่ปรากฏผลมากต่อไปเลย เรื่องกรรมที่เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมพิสูจน์หลายกรรมสี่อย่างเหล่านี้เรากระทําให้แจ้งแล้วด้วยปัญญายิ่งเองและประกาศให้รู้ทั่วกันกรรมสี่อย่างอย่างไรเล่าคือกรรมดำมีวิบากดำก็มีอยู่กรรมขาวมีวิบากขาวก็มีอยู่กรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาว ก็มีอยู่กรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมก็มีอยู่พิสูจนงหลายกรรมดำมีวิบากดำเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมปรุงแต่งกายสังขารอันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนย่อมปรุงแต่งวัีสังขารอันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียน ย่อมปรุงแต่ง <HHH> มโนสังขารอันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนครั้นเขาปรุงแต่งสังขารทั้งสามอย่างนี้แล้วย่อมเข้าถึงโลกอันเป็นไปพร้อมกับด้วยความเบียดเบียนภัจจ์ทั้งหลายอันเป็นไปพร้อมกับด้วยความเบียดเบียนย่อมถูกต้องเขาซึ่งเป็นผู้เข้าถึงโลกอันเต็มไปด้วยความเบียดเบียนเขาอันภัจจ์ ที่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนถูกต้องแล้วย่อมสวยเวชนาที่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนอันเป็นทุกโดยส่วนเดียวดังเช่นพวกสัตว์นรกนี้แหละเรียกว่ากรรมดามีวิบากดําภิกษุตรงหลายกรรมขาวมีวิบากขาวเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมปรุงแต่งกายสังขาร วจีสังขารและมโนสังขารอันไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนครั้นเขาปรุงแต่งสังขารทั้งสมดังนี้แล้วย่อมเข้าถึงโลกอันไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนภาษาทั้งหลายที่อันไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนย่อมถูกต้องเขาผู้เข้าถึงโลกอันไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนเขาอันผัสสะ ที่เป็นไปกับด้วยความไม่เบียดเบียนถูกต้องแล้วย่อมสวยเวทนาที่ไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนอันเป็นสุขโดยส่วนเดียวดังเช่นพวกเทพสุภกินหานี่แหละเรียกว่ากรรมขาวมีวิบากขาวปีจทั้งหลายกรรมทั้งดาทั้งขาวมีวิบากทั้งดาทั้งขาวเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในกรณีนี้ ย่อมปรุงแต่งกายสังขารอันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้างไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้างย่อมปรุงแต่งวัจีสังขารและวโนสังขารอันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้างไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้างครั้นเขาปรุงแต่งสังขารทั้งสามดังนี้แล้วย่อมเข้าถึงโลกอันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้างไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้าง ภาษาทั้งหลายที่เป็นไปกับด้วยความไม่เบียดเบียนบ้างและเบียดเบียนบ้างย่อมถูกต้องเขาผู้เข้าถึงโลกอันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้างเขาอันภาษะที่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้างไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้างถูกต้องแล้วย่อมสวยเวทนาที่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้างไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้าง นั่นเป็นเบตนาที่เป็นสุขและทุกข์เจือกันดังเช่นพวกมนุษย์หรือพวกเทพบางพวกหรือพวกวิิบากบางพวกนี่แหละเรียกว่ากรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวภิกษุทั้งหลายกรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนั้นเป็นอย่างไรเล่านั่นคือสัมมาธิฏฐิ สมาสังกปะสมาวาจาสมากรมมันตะสมาอาชีวะสมาวายามะสมาสติและสมาสมาธิอันนี้เรียกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเหล่านี้แหละกรรมสี่อย่างอันเราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศให้รู้ทั่วกันเรื่อง วิธีดับกรรมพิกสุทิ์ทั้งหลายอริยมรรคมีองค์แปดนี้นั่นเองเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมหรือกรรมะนิโรธกามินีปฏิปทาได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะคือความดำริชอบสัมมาวาจาคือการพูดจาชอบสัมมากัมมันตะคือการ ทำงานชอบสมาอาชีวะคือการเลี้ยงชีวิตชอบสมาวายามะคือความภาคเพียนชอบสมาสติคือความระลึกชอบและสมาสมาธิคือความตั้งใจมันชอบเรื่องวิบากกรรมอย่างเบาของหมู่สัตว์ปิสุตุหลายปานาติบาทคือการฆ่าสัตว์ที่เสพทั่วแล้วเจริญแล้ว ทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกำเนิดเดราัจานและเปรตวิสัยส่วนผลคือวิบากแห่งปาณานิบาศของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อความมีอายุสั้นภิกษุทั้งหลายอธินาทานคือการลักทรัพย์ที่เสพทั่วแล้วเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรก เป็นไปเพื่อกําเนิดติระฉานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยวิบากแห่งอธินนาธานของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากรทั้งหลายคือวิบากที่เป็นไปเพื่อความเสื่อมแห่งโภคะภิกษุทั้งหลายการเมศุวิชาจารย์คือการประพฤติผิดในการมที่เสพทั่วแล้วเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกําเนิดติระฉาน เป็นไปเพื่อเปรตวิสัยส่วนวิบากแห่งกาเมสุมิชาอาจารย์ของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งหลายคือวิบากที่เป็นไปเพื่อการก่อเวรด้วยศัตรูภิกษุทั้งหลายมูสาวาตคือการแกล้งกล่าวเท็จที่เสพทั่วแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่ อ, อนรกเป็นไปเพื่อกำเนิดตด ร, รัจฉาน เป็นไปเพื่อเปรตวิสัยส่วนวิบากแห่งมูสาวาตของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งหลายคือวิบากที่เป็นไปเพื่อการถูกกล่าวตูด้วยคำไม่จริงพิสุทั้งหลายปีสุนวาตคือคำยุยงให้แตกกันที่เสพทั่วแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกาเนิดกระฉาญ เป็นไปเพื่อเปรย์ิสัยส่วนวิบากแห่งคำยุยงให้แตกกันคือปีสุนวาฏของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งหลายคือผลที่เป็นไปเพื่อการแตกจากมิตรปีสุทั้งหลายการกล่าวคําหยาบหรือพรุศวาฏที่เสพทั่วแล้วเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกกําเนิดเดรัจฉานและเปรยวิสัย ส่วนผลวิปากแห่งการกล่าวคาหยาบของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าผลทั้งปวงคือผลที่เป็นไปเพื่อการได้ฟังเสียงที่ไม่น่าพอใจพิสูจน์ทังหลายการพูดเพ้อเจ้อหรือสัมปรปล่าวาดที่เสพทั่วแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกำเนิดตระดาิาน เป็นไปเพื่อเปรตวิสัยส่วนผลวิบากของสำปบปาวาทคือการพูดเพ้อเจ้อของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าผลวิบากทั้งปวงคือผลที่เป็นไปเพื่อวาจาที่ไม่มีใครเชื่อถือภิจูตหลายการดื่มน้ำเมาคือสุราและมีอะไรที่เสพทั่วแล้วเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนอรก เพื่อกำเนิดเดรัจานและเปรตวิสัยส่วนผลวิบากแห่งการดื่มน้ำเมาคือสุราและมี อ, อะไรของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าผลวิบากทั้งปวงคือผลที่เป็นไปเพื่อความเป็นบ้าเรื่องสลาดในเรื่องกรรมบุคคลเป็นพรามเพราะชาติกำเนิดก็หาไม่ได้จะไม่ใช่พราม พระชาติก<ภ>ํา <BE> เนิดก็หาไม่ได้บุคคลเป็นพราหมณก็เพราะกรรมไม่ <regardez> เป็นพราหมณก็เพราะกรรมบุคคลเป็นชาวนาก็เพราะกรรมเป็นศิลปินก็เพราะกรรมบุคคลเป็นพ่อค้าก็เพราะกรรมเป็นคนรับใช้ก็เพราะกรรมบุคคลแม้เป็นโจรก็เพราะกรรมเป็นนักรบก็เพราะกรรมบุคคลเป็นปุโรหิตก็เพราะกรรมแม้เป็นพระราชา กพระกรรมบัณฑิตทั้งหลายย่อมเห็นซึ่งกรรมนั้นตามที่เป็นจริงอย่างนี้บัณฑิตทั้งหลายย่อมเห็นซึ่งกรรมนั้นตามที่เป็นจริงอย่างนี้จือว่าเป็นผู้เห็นซึ่งปฏิจจสมุปบาทเป็นผู้ฉลาดในเรื่องวิบากแห่งกรรมโลกย่อมเป็นไปตามกรรมมูสัตย่อมเป็นไปตามกรรม สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นเครื่องรึงรัดเหมือนลิ่มสลักขันยึดรถที่กําลังเล่นไปอยู่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกาเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกระทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น ความพอใจอันใดราคะอันใดความเพลินอันใดหรือตัณหาอันใดที่มีอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเพราะการติดแล้วข้องแล้วในสิ่งสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ดังนี้ฟังด้วยดีซึ่งตาคตภาสิทธ